จเจริญพรทุกท่านที่การฟังทมเข้าใจยากนิดหน่อยนะแต่ไม่เหลือความพยายามที่พวกเราจะเข้าใจออกธรรมะแท้ๆนั้นถ่ายทอดสืบทอดกันมานะจนถึงยุคของเราเนี่ยมันมีธรรมะที่ไม่แท้เนี่ยเข้ามาปนอยู่เป็นอันมากโียเฉพาะอย่างพวกการปฏิบัติ ที่ออกนอกแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันปลอมปนเข้ามาอยู่ในแวดวงของพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากอย่างบางคนก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดนส่วนใหญ่เชื่ออย่างนี้ตายแล้วเกิดนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึง่งบางพวกเชื่อว่าตายแล้วสูญนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีอย่างหนึง่งบางคนก็เชื่อบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลอะไรคล้ายๆฟลุ๊ก คล้ายทฤษฎีที่ว่าพระเจ้าทอดลูกเต๋าตั้วแต่ฟลุกนะหรือบางคนก็เชื่อว่าหลังจากนิพพานแล้วยังมีตัวมีตนอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังดํารงชีวิตอยูนะ่ความเชื่อแปลกๆพวกนี้ปลอมปนมาอยู่ในพระพุทธศาสนานา น, านมากแล้วจนบางทีเราคนรุ่นหลัง เ, เราแยกไม่ออกว่าอะไรคือคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรไม่ใช่นะ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยการแยกแยะคำสอนว่าอันนี้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำง่ายเพราะพระพุทธเจ้าเรียงดํารงชีวิตอยู่แต่ถึงขนาดนั้นบางครั้งนะพระแท้แท้นี่แหละพระที่ฝ่ายดีแท้แท้นี่แบบปฏิบัติไปก็เกิดความเห็นผิดขึ้นได้ก็อย่างดีมีพระผู้ใหญ่มีพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยแก้ให้อย่างมีพระองค์หนึง่งท่านภาวนาไปแล้วท่านก็เกิดความเห็นผิด ว่าพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วศูนย์คิดว่าตายแล้วศูนย์ประกาศสัจจะประกาศความเห็น น, นี้ออกมาพระทั้งหลายก็กลุ้มใจว่าโอ้เข้าใจผิดนะก็พยายามจะแก้ไขให้ใหท่านเข้าใจถูกแล้วท่านก็ไม่เข้าใจในส่วนต้องไปเชิญพระสารีบุตรมาช่วยแก้ให้สารีบุตรท่านก็แสดงธรรมเรื่องขันห้าใครเคยได้ยินคำว่าขันห้าไหม ขันหใครไม่เคยได้ยินที่นี่เป็นอนัตตาจริงได้ยินก็เงียบเงียบนะ <c oughs> ไม่ได้ยินก็เงียบเงียบพระสาริบุตรสอนรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนอย่างนี้พระองค์นี้ปิ้งขึ้นมาท่านบรรลุพระอรหันต์พระสัริบุตรถามว่าต่อไปถ้าคนมาถามท่านว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนท่านจะตอบว่าอะไรที่จะไม่เป็นมิจฉาทิฐิ ท่านตอบบอกว่าถ้าใครมาถามท่านนะท่านจะบอกเลยว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยปรากฏว่าสอบผ่านเราฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมกไม่แปลกเราไม่ใช่พระอราหันต์ทำข้อสอบนี้ไม่ผ่านแต่เนี้ยหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยหมายถึงว่ากระทั่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่นะมิจฉาทิฐิก็มีอยู่แล้ว แ้วมันปลอมปนมันเจือปนเข้ามาทั้งที่โดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจบางทีไม่ได้ตั้งใจนะหวังภาวนาให้ดีนะี่แหละแต่ก็ยังหลงผิดไปได้หลงผิดตรงที่คิดว่าพระรหันมีจริงๆมีตัวมีตนอยู่เราตายแล้วตายแล้วศูนย์ก็มีตายแล้วยังอยู่ก็มีมันไม่ได้ผิดตรงที่ตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วอยู่นะมันเริ่มผิดตั้งแต่ว่ามีตัวมีตน มีคนจริงๆอ่ะมีพระอราหันต์จริงๆอะไรเงี้ยท่านถึงตอบว่าคำตอบที่ถูกรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาตเกิดที่แล้วดับไปไม่มีพระอราหันต์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเราว่าเขาเนี่ยตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะัเข้าใจยากถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นเรื่องที่คนทั้งหลายทนไม่ไหวคนทั้งหลายนั้นรัก ในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานี่รักที่สุดเลยห่วงแหนที่สุดถ้ามหัดภาวนาแล้วเห็นว่าตัวเราไม่มีนะแรกๆนี่ทนไม่ได้สักลายหนึ่งกลัวบ้างนะบางทีก็สยดสยองบางคนก็ขวัญหนีดีฟอนะบางคนก็เซงไปเลยนะเหี่ยวเฉาไปเลยนะเพราะตัวเรานี่เป็นสิ่งที่รักที่ห่วงแหนที่สุดแนละ้วพบว่ามันไม่มีจริงมันมีเนะมื่อมันมีเหตุ เหตุที่ประกอบกินขึ้นมาเป็นตัวเราก็คือตัวขันห้านั่นเองมันมารวมตัวกันเข้าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยอะไรก็มีร่างกายใช่ตัวนี้ก็เป็นตัวรูปขันเรียกว่ารูปแล้วก็มีส่วนที่เป็นนมานมธรรมนามธรรมที่มาประกอบกันเป็นตัวเราก็คือความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉย การนึกก็คือจำได้หมายรู้การคิดนะก็ปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงแล้วก็ความรับรู้ตัวนี้ตัวเรียกว่าจิตหรือวิญญาณสิ่งที่เราประกอบเป็นตัวเราก็คือขัน5นั่นเองนะประกอบด้วยร่างกายประกอบด้วยความรู้สึกสุขทุกข์ประกอบด้วยความจำประกอบด้วยความคิดปรุงแต่งประกอบด้วยความรับรู้ในองค์ประกอบของชีวิตเราคือสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจได้แจ่มแจ้งนี้ขันท่าแต่ละขันแต่ละองค์ประกอบของชีวิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ยล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งอย่างร่างกายเราก็เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นนามธรรมแบบหนึ่ง ความจําก็เป็นนามธรรมแบบหนึ่งความคิดก็เป็นนามธรรมแบบหนึ่งความรู้สึกความรับรู้ต่างๆก็เป็นนามธรรมาแบบหนึ่งท sure ั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ว่าถ้าพอมันมารวมตัวกันรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมารวมมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราก็รู้สึกว่านี่คือตัวเราถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆก็แยกได้5ส่วนแล้วแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่ตัวเรา นี่เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้การที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นั้นต้องเข้าด้วยปัญญานะพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนบอกบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธินะไม่ใช่ด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยการรักษาศีลเท่านั้นการรักษาศีลการทาสมาธิเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติ งานจริงๆงานหลักจริงๆของการปฏิบัติคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเพราะฉะนั้นหน้าที่เราจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆนะเราต้องมาเรียนถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราทำไมต้องมาเรียนตรงนี้ถ้าเราไม่เรียนในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยความทุกข์อยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์อยู่ที่กายใช่ความทุกข์อยู่ที่ใจของเรา กายกับใจก็คือรูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานั่นเองความทุกข์มันตั้งอยู่ในร่างกายความทุกข์มันตั้งอยู่ในที่จิตใจนี้เองถ้าสติปัญญาเราไม่พอเวลาร่างกายไม่สบายร่างกายมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเราทุกข์ไม่ใช่ร่างกายทุกข์นะเป็นเราทุกข์เวลาจิตใจมีความรู้สึสกนึกคิดมีความปรุงไม่ดีมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้ น, นก็คิดว่าจิตใจของเราทุกข์ ใจิตใจเราไม่ดีม่นกลายเป็นตัวเราไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งการที่เรามาปฏิบัติจนกระทั่งล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะไม่มีในคำสอนของคนอื่นยกเว้นแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีคำว่าทั้งหลายด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวนะแต่ในยุคหนึ่งยุคหนึ่งนั้นมีทีละองคนะ์พระพุทธเจ้ามีนับจานวนไม่ท้วนนะ แต่ในยุค ข, ของเรานี้พระพุทธเจ้าชื่อพระโคตมะนะพระโคตมะพุทธะลูกพระเจ้าสุดโททนะชื่อเดิมท่านชื่อสิทธัตถะมีองค์เดียวนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงขั้นการเจริญปัญญาในขณะที่คําสอนของคนอื่นนะมันไปหยุดอยู่แค่การทําทานการรักษาศีลการทําสมาธินะการทําทานก็ไม่ใช่เรื่องเลวนะเป็นการเสียสละความ เห็นแก่ตัวนะสละความเห็นแก่ตัวไปลดความเห็นแก่ตัวลงไปการรักษาศีลก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเครื่องกดข่มนะข่มใจของเราเองไม่ให้ทำชั่วตามกิเลสการทำสมาธิก็เป็นเรื่องดีนะเป็นการข่มกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตใจกนละับข้างกันนะศีลเนี่ยเราข่มใจของเราไม่ให้ทำตามกิเลสนะอยากฆ่าเขาไม่ฆ่า อยากตีไม่ตีอยากขโมยไม่ขโมยนะอยากโกหกไม่โกหก น, นี่ศีลข่มใจของตัวเองสมาธินะข่มกิเลสนะจิตจะฟุ้งซ่านจิตมีกิเลสทําสมาธิกิเลสก็สงบความฟุ้งซ่านสงบนะดับลงไปจิตก็สงบขึ้นมานะมีราคะขึ้นมามีความใคร้ขึ้นมานะจเจริญอสุภะกรรมฐานอนะไรเงี้ยจิตก็สงบขึ้นมาข่มกิเลสข่มราคะได้นะ ขมโทสะ ม, มีมีโทสะขึ้นมาก็เจริญเมตตาเจริญเมตตามากๆนะโทสะก็ถูกข่มแบบสมาธิให้เป็นตัวข่มกิเลนะสศีลเป็นตัวข่มใจของตัวเองไม่ให้ทําตามกิเลสนะส่วนปัญญานั้นเป็นการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจะทําลายความโง่ใช้คําว่าทํำลายแล้วนะ ศีลสมาธิเป็นเรื่องแค่ข่มค่มเอาเท่านั้นเองข่มจิตบ้างข่มกิเลสบ้างแต่ปัญญาเนี่ยถึงขั้นทำลายความโง่เขลาของเราเองทุกวันนี้ที่เราต้องเวียนไหายตายเกิดก็เพราะเราไม่ฉลาดเรามีอวิชชามีความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองเพราะนั้นถ้าเราอยากพ้นทุกข์ทารวณนะไม่ใช่แค่ทำทานไม่ใช่แค่รักษาศีลไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็ดี ข่มกิเลสได้บ้างข่มจิตใจได้บ้างอะไเนี่ยจิตใจสงบจิตใจสบายได้ช่วครั้งช่วคราวนะเดี๋ยวข่มไม่ไหวกิเลสก็มาอีกก็นะต้องแก้ปัญหากันเป็นคราวๆไปถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์าวรต้องมาเจริญปัญญ า, นะวาความไม่รู้นี่เป็นรากเหง้าของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าทำลายความไม่รู้ได้ตัวเดียวนะจิตหายโง่ตัวเดียวจิตไม่หลงความปรุงแต่ง ถ้าจิตไม่หลงความปรุงแต่งก็จะไม่เป็นหลงว่าตัวเรามีอยู่จริงๆไม่หลงยึดในกายในใจนี้วิธีปฏิบัติที่จะมาทำลายความรู้สึกว่ามีตัวเราความโง่ว่ามีตัวเราจริงๆตัวเราไม่มีแต่ว่าหลงผิดว่ามีเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าการปฏิบัติเนื่อเพื่อละความมีตัวมีตนอันนี้เข้าใจผิดการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ใช่ปฏิบัติไปเพื่อละความมีตัวมี ต, มตน เพราะตัวตนไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนพวกเราไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนยกตัวอย่างสมมติเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันรู้สึกไหมรถยนต์มีจริงๆริวิธีการที่จะทําให้เห็นว่ารถยนต์ไม่มีคือจับมันมาถอดเป็นชิ้นชิ้นรถยนต์ประกอบด้วยอะไหล่จำนวนมากใช่มลูกล้อเป็นรถยนต์ไหม ลกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อใช่ไหมพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์มีตัวถังมีพวงมาลัยเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์มีเครื่องยนต์อย่าเงี้ยเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมานะในที่สุดเราก็เกิดความสําคัญมั่นหมายว่ามีรถยนต์จริงๆที่จริงมันคืออะไรจํานวนมากมารวมกันสิ่งที่มาทําให้เราสําคัญมั่นหมายว่าตัวเรามีอยู่นะ แยกออกเป็น5้ากอง5ส่วนที่เรียกว่าขันห้านั่นเองไม่ไม่มากเท่าอะไหล่รถยนต์นะอะไหล่รถยนต์มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนมีน็อตมีอะไรสายฟงสายไฟหลอดไฟอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมีถังน้ํามันมีอะไรเบรกมีคลัตช์มีอะเยอะแยะแต่สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะแยกออกเป็น5กลุ่มเท่านั้นเองนะเรียนไม่มากหรอกแต่ว่าวิธีการเรียนรู้นั้นแบบเดียวกับถอดรถยนต์เป็นชินช้นๆแล้วมาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นชินช้นๆนะ เรามหัดถอดตัวเองทํำยังไงดีขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนถ้าใจเราลอยใจเราฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่นะเราไม่สามารถเรียนรู้เรื่องตัวเราเองได้สังเกตไหมเวลาที่เราใจลอยเราจะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นนะหรือถ้าคิดถึงตัวเราเองก็คิดถึงในเวลาอื่นเช่นคิดถึงตัวเราในอดีตคิดถึงตัวเราในอนาคตนะมันจะหลงไปหาสิ่งอื่นตลอด ลองดูก็ได้ในขณะ น, นี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมขณะที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อเนี่ยร่างกายเรามีไหมร่างกายเรามีอยู่นะแต่เราไม่รู้สึกเราลืมร่างกายของเราไปในขณะ น, นี้จิตใจของเราก็มีแต่พอมาจดจอ่อการฟังธร ร, รมะของหลวงพ่อนะเราลืมจิตใจของเราเองสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกข์หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นกุศ ล, ลหรืออกุศ ล, ลก็ไม่รู้นะ เมื่อไร่ใจลอยนะเมื่อนั้นไม่สามารถรู้กายไม่สามารถรู้ใจของตัวเองในปัจจุบันได้ใจลอยอาจจะรู้กายรู้ใจนะแต่รู้ได้กันคิดคิดเอาคิดถึงเราเมื่อวานซืนคิดถึงเราเมื่อตอนเด็กนะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันไม่ใช่ตัวจริงในปัจจุบันนี้เมื่อไร่ใจลอยเมื่อนั้นลืมตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้สึกตัวเองไม่ลืมตัวเองเนี่จุดตั้งต้นเลยนะของการที่จะเจริญปัญญา ถอดตัวเองออกเป็นชิ้นชิ้นได้เนี่ยขั้นแรกต้องไม่ลืมตัวเองถ้าเราลืมตัวเองเราก็ถอดตัวเองออกเป็นชิช้นชิ้นไม่ได้เหมือนเราจะเป็นช่างซ่อมรถยนต์เราลืมรถยนต์ไปนะไม่ได้สนใจรถยนต์เลยรถยนต์ก็กองอยู่งั้นไม่ได้ถอดออกมาเป็นชิช้นชิ้นสักทีงั้นเราขั้นแรกเลยของการปฏิบัติเนี่ยต้องอย่าใจลอยวิธีฝึกที่จะไม่ให้ใจลอยทำยังไงขั้นแรกหัดพุโทโธก็ได้นะหัดหายใจก็ได้จะดูท้องฟองยุบก็ได้ ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งนะเราถนัดพุดโทโธเราก็ใช้พุโทโธถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจถนัดดูท้องพองยุบเราก็ดูท้องพองยุบนะถนัดที่จะขยับมือทำจังหวะ่นะาสายหลวงพ่าเทียนขยับมือนะแล้วก็ขยับมือไปอะไรก็ได้หางานขึ้นมาให้จิตทมสักอย่างหนึง่งนะจะพุโทโธจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบจะขยับมือทาจังหวะจะไปเดินจงกรมอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลย แล้วคอยรู้ทันจิตตรงนี้แหละที่เป็นข้อแตกต่างอย่างยิ่งนะระหว่างการทำสมาธิแบบเอาความสงบเป็นที่ตั้งกับเอาสมาธิทำสมาธิชนิดที่จะให้จิตถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเพื่อจะเดินปัญญาสมาธิเรามีสองชนิดสมาธิชนิดแรกเนี่ยสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตของเราปกติฟุ้งซ่านหนีไปโน่นหนีไป น, น, น, ไปนี่ตลอดเวลาเรามาอยู่กับพุโทโธไม่ให้จิตหนี ไม่อยู่กับพุโทโธไม่ให้จิตหนีไปไหนเลยจิตสงบอยู่กับพุโทโธได้สมถกรรมฐานได้ความสงบนะเรารู้ลมหายใจไม่ให้จิตหนีไปไหนเลยจิตอยู่แต่กลมหายใจอย่างเดียวเราได้ความสงบได้สมถกรรมฐานแต่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่ลืมตัวเองต้องฝึกอีกแบบหนึ่งทําสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวมีชื่อทางวิชาการชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌาน อาระมะคืออารมณ์นั่นเองจิตเนี่ยแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นอยู่กับพุโทโธก็ไม่หนีไปไหนอยู่แต่พุโทโธอย่างเดียวไม่คิดไม่นึกอะไรอยู่แต่พุโทโธหายใจก็สงบอยู่กับจรวดกระลมหายใจอย่างเดียวนะไม่คิดไม่นึกไม่หนีไปไหนอย่างนี้ได้ความสงบเฉยๆนะมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อลักคนูปนิชานสมาธิชนิดเนี้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูจิตไม่หลงไปในโลกของความคิดนะไม่ลหลงเผลอไปไม่ไหลไปแต่ตั้งมั่นขึ้นมา วิธีฝึกก็ใช้พุทโธใช้ลมหายใจเหมือนที่เคยฝึกทําความสงบนั่นแหละแต่ปรับวิธีนิดหนึ่งถ้าจะทําความสงบเราก็พุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธหายใจให้จิตอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบให้จิตไปอยู่ที่ท้องเนี่จิตได้ความสงบแต่ถ้าจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะหัดพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ได้บังคับจิตว่าห้ามไปไหนไม่ได้บังคับว่าจิตต้องอยู่ที่เดียวนิ่ง จิตนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดานะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิดเราไม่ห้ามมันแต่ว่าเมื่อจิตวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งไปคิดนั้นเกิดบ่อยที่สุดนั่งอยู่นี่รู้สึกไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อนิดหนึ่งใช่ไหมมองแล้วก็ตั้งใจฟังฟังได้นิดเดียวนะสลับไปคิดสังเกตไหมทุกคนในห้องนี้ฟังแล้วก็คิด ฟังแล้วก็คิดสลับกันอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทำอย่างบางคนคิดมากไปเลยสงสัยเลยว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรงงไปเลยสังเกตตัวเองดูฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะจิตนี้ตลอดจิตไหลตลอดไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดโดยเฉพาะจิตไหลไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเกิดมากที่สุดเกิดนานที่สุดวันวันหนึ่งเผลอไปคิดนานไหม นัแหละนานมากนะบางคนเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเผลอทั้งวันเลยเผลอวันละครั้งเดียวแต่ตั้งแต่ตื่นจนหลับนะเรามาหาัดปฏิบัตินะจนกระทั่งเผงเ hm ลอได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเผลอไปแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกเผลอเนี่ยสั้นลงนะแต่เผลอบ่อยๆแต่เผลอสั้นๆเ น, นี่ยคนปฏิบัตินะก็คอยสังเกตจิตพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแวบรู้ทันว่าจิตหนีไปคิด หายใจไปจิตหนีไปคิดแวบรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดการที่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปมันเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นนั่นก็คือจิตทรงสมาธินั่นเองจิตที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่วิ่งออกไปนั่นเองหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกงั้นเรามาฝึกนะขั้นต้นพวกเราทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทําเพื่อบังคับให้จิตนิ่ง เราทำเพื่อจะคอยรู้ทันจิ ต, ห า, จจตาหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันคอยรู้ทันจิตของตนเองเนืองๆนี่แหละบทเรียนนี้ชื่อว่าจิตตศิกขาเรียนเรื่องจิตถ้าเราเรียนเรื่องจิตได้ท่องแท้เราจะได้สมาธิชนิดที่พร้อมสาหรับการเจริญปัญญา สมาธิสงบนั้นเอาไว้พักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลงไปไม่ไหลไปเอาไว้เจริญปัญญาคนละงานกันนะคนละชนิดของสมาธินี้พวกเราส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนะฝึกมั่วๆไปฝึกก็จะเอาแต่พุโทโธพุโทโธไปจิตสงบไปหรือหายใจไปก็จิตสงบไปดูท้องไปจิตสงบไปนะจิตสงบไปอยู่นิ่งๆเฉยๆอยู่ในอารมณ์เดียวจิตชนิดนี้ไม่เดินปัญญาหรอก ชิชนี้นี่จะไปนอนพักผ่อนอยู่เฉยๆนะถ้าสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงออกมาบางคนติดอยู่ในความสงบนานติดอยู่เป็นปีนะพอหลุดออกจากความสงบนะ่าร้ายกว่าเก่าอีกนะจิตมันติดในความสงบแนละ้วพอออกมากระทบโลกข้างนอกมันทนไม่ได้มันคลุ้มคลั่งเลยเพราะ้พวกเข้าวัดบางคนพวกเราสังเกตคนที่เข้าวัดบางคนนะถ้าเข้าติดสมาธินะีอารมณ์เขาร้ายกว่าคนปกติอีกแต่ถ้าฝึกสมาธิช น, นิดที่จิตตั้งมั่นจะไม่เป็น จะไม่คลุมคลั่ลงอย่างนั้นหรอกงั้นเรามาฝึกสมาธิให้ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันใครหายใจก็หายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันที่จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบอยู่จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันการที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปนั้นจิตจะตั้งขึ้นเองจิตจะไม่เคลื่อน จิตที่ไม่เคลื่อนไปก็จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นนี่เราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วตานนี้ถึงขั้นของการเดินปัญญาที่แท้จริงนะการจะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรการเจริญปัญญานั้นคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเราอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่แหละมาเป็นจุดสตาร์ทในการเดินปัญญา พอจิตเราตั้งมั่นแล้วนะเราก็นั่งดูอย่างพวกเราแต่นี้นั่งอยู่นั่งไปแล้วก็ดูไปร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่พยักหน้าอยู่ร่างกายที่กระดุกกระดิกอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่กำลังขยับตัวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดสังเกตตรงนี้นะหัดไปเรื่อยนะสุดท้ายเราจะแยกได้ว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่ง ถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จะไม่ยากเลยที่จะเห็นว่าร่างกายกับจิตนะเป็นคนละอันกันนี่คือการหัดถอดรถยนต์ให้เป็นชิ้นๆละ่ะนะงั้นพวกเรานั่งอย่างนี้แหละแล้วก็ดูไปร่างกายที่นั่งอยู่นี่เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเนะี่ดูอย่างนี้ไปื่อยร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายที่เดินอยู่นะ เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดนะูนี่ฝึกอย่างนี้ให้ชํานาญนะขั้นต้นฝึกอย่างนี้กันก่อนฝึกแยากกายแยกจิตให้ออกจากกันให้ได้เพราะแยกนี่เป็นการถอดรถยนต์ชิ้นที่หนึ่งนะถอดออกมาปุ๊บได้สองชิ้นเห็นไหมถอดครั้งแรกจะได้2ชิ้นนึก อ, ออกไหมอี่ยงเรามีรถยนต์อยู่คันถอดล้อออกมากลายเป็น2ชิ้นใช่ไหมคือรถยนต์ทั้งหมดที่เหลือกับล้อแยกออกมานี่เราถอดครั้งแรกเลยจะได้2ชิ้นคือกายกับใจ แยากกายกระใจออกจากกันถัดจากนั้นเรามาฝึกแยกต่อไปอีกเรานั่งต่อไปอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนั่งไปสักพักเราปวดเราเมื่อยค่อยๆสังเกตอีกความปวดความเมื่อยเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้เกิดมีความปวดความเมื่อยขึ้นมาเพราะงั้นความปวดความเมื่อยเนี่ยไม่ใช่ร่างกายหรอกร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเนี่ยเราค่อยๆดูไปงนี้เราจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยกับร่างกายนั้นเป็นคนละอันกันแล้วก็ไม่ใช่จิตใจด้วยจิตใจเป็นคนดู จะเห็นเลยว่าความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดอย่างนี้นะเราแยกได้สมชิ้นล้วใมีร่างกายนะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อย่างรู้สึกที่เราฝึกกันก็คือดูความเมื่อยอย่างเงี้ยเั้นนั่งอยู่เดี๋ยวก็เมื่อยพอเมื่อยแล้วดูไปความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี้พอนั่งไปพอมันเมื่อยก็อย่าเพิ่งขยับเราจะฝึกต่อ ขั้นต้นอดทนไว้ก่อนอดทนหน่อยอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนั่งพอมันปวดมากๆนะจิตใจมันจะเริ่มทุรนทุรายกระสับกระสายพอนั่งมากๆนั่งปวดมากๆนะเป็นเน็บเป็นอะไรนะชักกลุ่มใจะนั่งนานๆจะเป็นอำมาภัสหรือเปล่านะจะเดินได้อีกไหมอะไรนี้นะความกลุ่มใจเกิดที่ใจเกิดที่จิตไหมความปวดเมื่อยเกิดที่ร่างกายแต่ความกลุ้มใจเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยกับความกลุ่มใจนี้คนละอันกัน ความปวดเมื่อยนะั้นเรียกว่าเวทนาขันนะเป็นเวทนาขันความกลุ้มใจความกังวลใจอะไรนี่เรียกว่าสังขารขันโคนละขันคนละกลุ่มกันนะี่ค่อยๆหัดแยกแล้วความคลุ้มใจก็ไม่ใช่จิตจิตที่แรกไม่กลุ้มใจแต่จิตตอนนี้กลุ้มใจเพราะงั้นมันเป็นคนละอันกันหัดฝึกไปเรื่อยนะให้ชำ น, นีชำ น, นานนะนี่เราฝึกมาสองเรื่องแล้วนะเรื่องแรกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิต พุทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วค่อยๆดูไปร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่เดินร่างกายที่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าดูร่างกายกับจิตร่างกายเป็นคนละอันกันจะเป็นโคละอันอัตโนมัตินะต่อไปก็ดูไปร่างความปวดความเมื่อยอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะ ก็เป็นคนละส่วนกับร่างกายเป็นคนละส่วนกับจิตความกังวลใจที่เกิดขึ้นก็เป็นคนละอันกับร่างกายเป็นคนละอันกับความปวดเมื่อยเป็นคนละอันกับจิตนี่เราหัดแยกออกเป็นส่วนส่วนอย่างนี้แหละพอเราแยกออกเป็นส่วนส่วนแล้วเราจะเห็นความจริงขึ้นมาละร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้มีธาตุไหลเข้าร่างกายนี้มีธาตุไหลออกตลอดเวลา เช่นเรากินอาหารแล้วเราก็ขับถ่ายเราหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกนั่นร่างกายนี่มีธาตุหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้เรายืมวัตถุของโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องคืนวัตถุชิ้นนี้ให้โลกไปเราครอบครองตลอดไปไม่ได้งั้นเราค่อยๆมาดูความจริงของร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก นี่เราเริ่มล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้แล้วตัวเราเนี่ยมันประกอบเป็นด้วยกลุ่มก้อนของขันทั้งหลายนี่ที่มารวมตัวกันเข้านะแต่พอเราแยกออกมาเป็นส่วนๆนะเราจะเริ่มเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราความเจ็บปวดทั้งหลายความปวดเมื่อยทั้งหลายหรือกระทั่งความสุขทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาชั่วคราวมันจะเห็นชัดๆเลยว่าความสุขก็ไม่ใช่ตัวเรา ความสุขไม่ใช่ร่างกายความสุขไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึง่งไม่ใช่คนใครเห็นว่าคนคือความสุขมากมีไหมคนคือความสุขไม่มีไม่มีใครเห็นอย่างนั้นนะเห็นแล้วก็เพี้ยนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกออกมาได้เห็นตัวความสุขเห็นตัวความทุกข์เนี่ยเราจะพบว่าไม่มีคนหรอกนะแต่ว่าคนเป็นสุขได้ไม อย่างพวกเราเป็นคนใช่ไหมเรามีความสุขได้ใช่ไหมแต่พอแยกปั Vor ๊บออกไปนะความสุขไม่ใช<ๆ>่คนร่างกายไม่ใช่คนจิตใจก็ไม่ใช่คนนะจิตใจก็ไม่ใช่คนความปรุงดีปรุงชั่วความโกรธก็ไม่ใช่คนเราจะเห็นแยกออกไปความกังวลใจเงี้ยไม่ใช่คนพวกนี้เรียกว่าสังขารขันความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสังขารขันเป็นความปรุงของจิตดูไปเรื่อยความโกรธไม่ใช่คน ใครเห็นความโกรธเป็นคนได้ต้องเพี้ยนนะความโกรธไม่ใช่คนความโลภความรักไม่ใช่คนนะความใจลอยความฟุ้งซ่านความหดหู่ไม่ใช่คนนะเราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยเนี่ยในที่สุดเราจะเห็นนะว่าทุกส่วนที่เราแยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยมันสอนให้เราเห็นความจริงว่าไม่มีคนหรอกไม่มีตัวเราหรอก ถ้าเราไม่มีตัวเรานะลองเห็นขันห้ามันสิ่งที่เรียกว่าเราเคยรู้สึกว่าเป็นตัวเรานะแล้วข้าจริงเป็นแค่ขันที่มารวมกลุ่มกันอยู่เท่านั้นเองแล้วเราก็ไปรู้สึกผิดผิดว่าเป็นตัวเราแต่พอขันกระจายออกไปนะก็พบ ว, ว่าไม่มีตัวเราละเหมือนจับรถยนต์ถอดเป็นชินช้นๆแล้วก็พบ ว, ว่ารถยนต์หายไปละนี่เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นวิธีที่แปลกไหม ไม่น่าเชื่อนะคนทั้ง 2-3,000 ปีก่อนสอนเรื่องอย่างนี้ 2,600 ปีก่อนสอนเรื่องอย่างนี้ได้งั้นเรามาเรียนนะมาเรียนค่อยๆสังเกตลงไปในตัวเราเองถ้าหากเราเห็นความจริงท่องแท้ว่าร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราความจําไม่ใช่เราความปรุงดีปรุงชั่วนะเช่นโกรธโลภโกรธหลงอะไรนะี่ไม่ใช่เราจิตใจที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เรา ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะตัวเราจะหายไปเมื่อไหร่เห็นว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันเคยได้ยินคาว่าโสดาบันไหมเราวาดภาพโสดาบันคืออะไรควารู้ที่ abstract มากเลยนะสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ฝันเลยว่าออีกแสนชาติก็ไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนเลยถ้าไม่รู้จักรูปรู้จักนามไม่รู้จักแยกธาตุแยกขันอย่างนี้นะถ้าแยกเป็นไม่ยากอะไรพระโสดาบันคือท่านผู้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน ท่านล้งความเห็นผิดได้เพราะท่านแยกฐันออกมาเป็นส่วนๆแล้ว เ, เห็นว่าแต่ละส่วนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าภาวนาต่อไปอีกนะเราก็ดูแต่ละส่วนนั้นต่อไ ป, ไปอีกเห็นแต่แต่ละส่วนนมัมีเหตุก็เกิดโมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนแต่อย่างร่างกายเราบังคับไม่ได้จริงนะสั่งไม่ให้แก่มันก็แก่ใช่ไหมสั่งไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บสั่งไม่ให้ตายมันก็ตายจิตใจเราก็บังคับไม่ได้นะสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมจะสุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์อะไนี สั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีนะห้ามชั่วมันก็ขยันชั่วไม่อยู่ในอำนาจจริงนะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปในกายในใจนะเห็นมีสาระแก่นสารพอเห็นความจริงว่ากายในี้ใจนี้หาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้มันจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไหร่จิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกรู้เลยว่านี่สมบัติของโลกขันห้านี้กายใจนี้เป็นสมบัติของโลก เรามาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองจิตหมดความยึดถือในรูปในนามนะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสมมติเรียกกันว่าพระอาหารหันต์งั้นพระอาหารหันต์เนี่ยท่านไม่คิดว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์นะเพราะท่านมีปัญญาจแจ่มแจ้งแล้วว่าพระอาหารหันต์ไม่มีคนไม่มีอ่ะคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นนะ เนี่ยที่พระอรหันต์ท่านเห็นกันนะท่านนิวเห็นกันอย่างนี้นะงั้นถ้าเราไม่ได้ภาวนาให้ถูกหลักถูกเกณฑ์เราก็กลายเป็นพวกมิจฉาทิฏฐนะิแล้วก็คิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพอคิดว่าตัวเราตอนนี้มีจริงนะมองไปถึงอนาคตมองไปถึงอนาคตจะเกิดทางเลือกสองทางว่าตัวเราซึ่งมีอยู่จริงในปัจจุบันเนี่ยต่อไปพอเราตายแล้วหายไปเลยตัวเราไม่มนะีหรือตัวเราในปัจจุบันมีอยู่จริงๆ นะอนาคตตายแล้วเนี่ยจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ก็ยังเป็นไอ้คนเดิมอยูนะ่ตัวเรามีอยู่จริงๆริงเห็คิดว่าตายแล้วเกิดหรือคิดว่าตายแล้วศูนย์ล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิพราะในความจริงไม่มีคนมาตั้งแต่ปัจจุบันแล้วเนะนี่ยขัดเรียนเข้าไปนะถ้าพอเราเห็นว่านี่ไม่ใช่ตัวเราแนละ้วความทุกข์จะหายไปความทุกข์จะหายไปเยอะเลยเราทุกข์เพราะอะไรทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเรารักกาย เราทุกเพราะเรารักจิตใจของเราใช่ไหมอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากโน้นอยากนี้ทุกคราวที่ความอยากเกิดนี่ความทุกข์จะเกิดเสมอความอยากใดๆเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีอยากขึ้นมาได้ก็เพราะไม่รู้ความจริงว่ามันไม่ใช่เราหรอกไม่คิดว่าเป็นเราจริงๆเขาคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายคิดว่าจิตใจเป็นตัวเราจริงๆก็ไม่อยากพัดพลากอยากสิ่งที่รัก ไม่อยากประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วอยากโน้อนอยากนี้ก็อยากจะสมหวังอย่างเดียวพอไม่สมหวังก็กลุ้มใจทุกข์ใจหนักครับอีกนะนั่นเรามาฝึกนะเส้นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือเส้นทางที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราให้แก่กล้าให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถ้าเห็นได้ก็จะหมดความยึดถือในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราได้นะพระเจ้าท่านสอนนะบอกถ้าเรามีปัญญา เห็นความไม่เที่ยงของสังขารสังขารก็คือกายกับใจเราเองคือขันธ์ห้านี่เองถ้ามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารจิตจะเบื่อหน่ายนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเห็นความเป็นทุกข์ของสังขารคือของกายของใจจิตจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมันก็จะไม่ยึดถือกายยึดถือใจนี่คือเส้นทางของความบริสุทธิ์ ถ้าเราเห็นสังขารคือกายนี้ใจนี้นะเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขานะแล้วจะเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายแล้วบอเนี่ยคือเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์นะั่นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์นี่ก็คือการที่เราสามารถเห็นกายนี้ใจนี้นะหรือเห็นขันห้านี้รูปนามเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วก็หมดความยึดถือ พอเราหมดความยึดถือในกายเราจะไม่ถูกขเพราะกายหมดความยึดถือในจิตจะไม่ถูกเพราะจิตอีกต่อไปเรารักอะไรเราทุกข์เพราะสิ่งนั้ น, นไม่ว่าเรารักอะไรนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเสมออย่างเรามีคนรักสักคนหนึ่งว่าหวานแหววมากนะทุกข์ไหมจริงๆทุกข์นะเราเสียอิสรภาพไปใช่ไหมถ้าเสียอิสรภาพไปนานหรือรักมากจนแต่งงานกันนะเสียอิสรภาพนานๆนี่คิดถืออิสรภาพอีกแลน้วะ ไม่อยากได้อีกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะเรียนรู้ลงไปวันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบพอลนะเราจะได้อิสระภาพที่แท้จริงนะเราจะเป็นอิสระนะที่ว่าหลุดพ้นหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงนะแต่ถ้าอย่างรักใครผูกพันห่วงแหนในสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้าน บางคนไปซื้อบ้านผ่อนส่งทั้งนานหวังว่าซื้อบ้านแล้วจะได้อยู่ตลอดชีวิตมีความสุขู่ไม่ได้จริงนะเดี๋ยวบ้านก็ชำรุดทรุดโทรมต้องซ่อมต้องผังมีภาระมากมายน้ําจะมาใช่ไหมต้องต่อสู้น้ําจะท่วมไม่ท่วมอะไรท่วมจะรู้แล้วรู้รอดไปเลยยังทําใจได้ง่ายจะท่วมหรือไม่ท่วมอะไรกลุ้มใจหนักมีรถยนต์ก็กลุ้มใจน้ําจะมาจะทํำยังไงเอารถไปใส่ถุงอะไรอย่างนี้ ทำอะไรต่ออะไรซาเราพัดเยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกลัวลดลอยตามน้ำไปอีกงนะมีแฟนก็กลุ้มใจมีลูกก็กลุ้มใจรักอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นแล้วเรารักอะไรมากที่สุดเรารักตัวเองถ้ามีตัวเองทุกข์ที่สุดเพราะรักที่สุดนะงั้นล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ก็พ้นทุกข์นั่นแหละ นี่แหละเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ชาตินี้ยังทำได้ไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เริ่มลงมือทำซะ ก, ก่อนชาติต่อต่อไปแล้วสติปัญญากล้าแข็งขึ้นมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านปฏิบัตินะล้มลุกลุกคลานทำลำบากบางองค์ปฏิบัติปุ๊บๆ๊ปั๊บๆนะสบายไปแล้วนะทําไมบางคนเร็วบางคนช้าบางคนยากบางคนง่ายเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้นเลย ถ้าเราเคยฝึกฝนอบรมที่จะเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาจะง่ายถ้าเราไม่เคยทำเลยนะยากแต่ถึงยากนะก็ต้องเริ่มทำเพื่อวันข้างหน้าจะง่ายเพราะพวกเราฟังหลวงพ่ออย่าฟังทิ้งเปล่าๆนะสิ่งที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่นักปราชญในอดีตเนี่ยสแสวงหากันอย่างแสนสาหัสเยส่วนพวกเราคุ้นเคยกับธรรมะไม่เห็นคุณค่าสมัยพุทธกาลมีพระเจ้าแผ่นดินอง ท่านสนใจว่าเมื่อไหร่เนาะจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เนี่ยท่านรอว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อไหร่นะตัดสู้ประกาศธรรมเมื่อไหร่ท่านจะไปเรียนเลยเพื่อจะได้ผลถุกแล้วท่านก็ฉลาดท่านก็ไปสั่งพวกพ่อค้าไว้พวกนี้เดินทางไกลเนี่ยว่าถ้าได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นที่ใดนะให้บอกนะให้มาบอกจะให้รางวัล วันหนึ่งพ่อค้าก็มาบอกท่านบอกว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธรโมโลเกอุปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกสังโฆโลเกอุปันโนพระสง์เกิดขึ้นแล้วในโลกท่านได้ยินแนละ้วท่านแทบช็อกเลยสิ่งที่ท่านใฝ่ฝันสิ่งที่ท่านรอ ค, คอยมาแสนนานนะท่านถามซ้ําทั้งสามรอบนะคนลุกขนฟองว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะ พ่อค้าก็บอกอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านก็สั่งพ่อค้าอะไรบอกให้เข้าไปในวังนะไปหาพระมเหสีไปรับรางวัลท่านจะไม่กลับเข้าวังท่านจะต้องรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ขึ้นม้านะไปเลยพ่อค้าก็เข้าวังไปไปบอกพระมเหสีว่าพระราชาให้มารับรางวัลพระราชาไปแล้วถามพระราชาไปไหนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พุทธโลเกอปันโงนกันก็เล่าให้พระเมหสีฟังพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดที่แล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วพระเมหสีช็อกเหมือนกันถามตั้งหลายรอบนะฮะจริงเหรออะไรอย่างนี้นะซักไซส์พอรู้แน่นะทั้งให้รางวัลนะท่านออกจากวังเลยตามพระเชษฐาแผ่นดินไปบวชนะสององค์นี้เป็นพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงมากนะสององค์นี้คนโบราณนะกว่าที่เขาจะได้ธรรมะมานะ เขารอคอยมานานแสนนานพวกเราเกิดมาในแผ่นดินซึ่งธรรมะยังดำรงอยู่ถ้าเราละเลยเนี่ยเราไม่ฉลาดหรอกนะงั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเื้องต้นรักษาศีลห้าถัดจากรักษาศีลห้าแล้วฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือการฝึกสมาธิที่ถูกต้องสมาธิไม่ใช่ฝึกให้เคลิมล้มเคลิ้มฝึกรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทั น, น, ทนก็จะรู้สึกตัว ถ้าจิตหนีไปคิดจิตจะไม่รู้สึกตัวนะพอจิตเรารู้สึกตัวได้แล้วก็มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์ใครเคยได้ยินชื่อหลวงตามหาบัวมั้งมีไหมหลวงตามหาบัวสอนดีมากเลยนะบอกถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดนะว่าเรื่องเจริญปัญญาไม่มีทางเจริญปัญญาเลยต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนะั้นบางคนบอกพุโทโธพุทโธไว้แล้วก็วันหนึ่งบรรลุไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเลยนะ พุทโธพุทโธไฟจิตนี้ไปคิดรู้ทันได้จิตที่ตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นแล้วต้องมาแยกธาตุแยกขันธ์ร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่างเงี้ยความสุขความทุกข์เป็นอีกสิ่งหนึ่งความสุขความทุกข์เกิดที่ร่างกายก็ได้นะเกิดที่จิตใจก็ได้กุศลอกุศลอันนี้เกิดได้ที่จิตอย่างเดียวนะส่วนจิตเป็นตัวรู้อารมณ์เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดหมุนเวียนไปทั้งวันอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อเดี๋ยยววกก็็ตัั้งงใจฟเดดีคิ เนีดูของจริงอย่างนี้ยดูขันนะทํางานไปเรื่อยเจนปัญญามันพอนะเห็นเลยขันนี้ไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันเห็นเลยขันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสาระแกนสารไม่ได้หมดความยึดถือในขันเป็นพระรหันตะ์เราอดทนนะอทนภาคเพียรเข้า อ, อย่าให้เสียชาติที่เกิดมาในแผ่นดินที่ธรรมะยังดํารงอยู่นะงั้นต่อไปที่เราอยากได้ธรรมะนะแต่ไม่มีธรรมะให้เรียนเราจะหิวโหยอยู่นานนะ วันนี้45นาทีพอแล้วนะตลวพ่อขออนุโมทนาด้วยนะทางคนจัดผู้จัดแล้วก็รู้สึกทึ่งกับพวกเรานะพวกเราจำนวนมากเลยไม่เคยฟังไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อแค่ฟังช่วงเวลาชั่วโมงนินดๆเนี่ยจิตนะใจของเราตื่นตัวในธรรมะขึ้ น, น่เงี้ยเป็นประโยชน์นะกัชีวิตของเราเอง มีซีดีแจกไหมมีใช่ไหมไปฟังซีดีนะแล้วสักพักเดียวเราจะพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปลี่ยนชีวิตจิตใจของเราได้ในเวลาอันสั้นแล้วเราลองดูว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี้จะจริงหรือไม่จริงเราฟังซีดีนะแล้วก็หัดภาวนาไปอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละถือศีลห้าไว้ก่อนรู้สึกตัวบ่อยๆ รู้ก่รู้ใจเห็นใจเห็นใจทำงานทำทุกวันแล้วดูซิเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนธรรมะของผู้เจ้าไม่ช้าหรอกหลวพักไปก่อนลนะ